เรื่องเล่าผีหลอนตอนวิญญาณที่ถูกลืมว่ากันว่าเมื่อร่างกายของคนเราสูญสลายไปแล้วนั้นสิ่งที่จะยังคงเหลืออยู่ก็เป็นเพียงวิญญาณที่ล่องลอยรอเวลาไปเกิดใหม่แต่ในบางครั้งอาจจะยังมีวิญญาณจำพวกหนึ่งซึ่งยังคงวนเวียนอยู่บนโลกนี้ โดยไม่มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับความสุขครั้งใหม่ในชีวิตเลยอะไรที่ทำให้วิญญาณเหล่านั้นต้องเผชิญกับชะตากรรมเช่นนี้มันคือความผูกพันของวิญญาณเหล่านั้นที่มีต่อคนบนโลกมนุษย์ซึ่งไม่สามารถลบเลือนไปได้หรือว่ามันจะหมายถึงความน่าสะพรึงกลัวบทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้ากันแน่ เรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นกับครอบครัวของแอลเลนโดยมีโรเบิร์ตเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่กับเบ็ตตี้ภรรยาสาวและลูกชายวัยห้าขวบในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชานเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษพวกเขาอยู่อย่างสงบมานานจนกระทั่งปีคริสตศักราช1996ที่ผ่านมา ครอบครัวแอเลนก็ต้องเจอกับเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดขึ้นเมื่อเบ็ตตี้ภรรยาสาวสวยถูกฆาตกรใจอำมหิตฆ่าคมขืนและนำศพไปทิ้งในก่อ ย, ยาห่างจากบ้านของเธอเพียงไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งแม้ว่าภายหลังฆาตกรจะถูกจับตัวมาลงโทษได้แต่สิ่งที่ครอบครัวแอเลนต้องสูญเสียไปนั้น มันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหาสิ่งใดมาทดแทนได้และนอกเหนือไปจากความเศร้าโศกเสียใจแล้วสิ่งที่พวกเขาต้องประสบในเวลาต่อมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความน่าสะพรึงกลัวอันเกิดจากวิญญาณของเบต็ตตี้ซึ่งตามมาหลอกหลอนและสร้างความขย่าวขวัญให้กับครอบครัวแอนเลนโดยที่พวกเขาไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น ทั้งที่หลังจากเบตตี้ได้เสียชีวิตไปสองปีเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นยังคงดูเงียบสงบปราศจากเหตุการณ์ร้ายแต่อย่างใดทุกวันโรเบิร์ตจะพาลูกชายของเขาไปเคารพสุสานของเบตตี้ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปไม่กี่ร้อยเมตรและทำเช่นนี้เป็นประจำจนกระทั่งไม่นานโรเบิร์ตได้แต่งงานใหม่ กับหญิงสาวชาวอังกฤษคนหนึ่งและได้อพยพครอบครัวไปอยู่ทางตอนใต้ซึ่งนับจากนั้นมาโรเบิร์ตก็ปล่อยให้สุสานของเบต็ตตี้ตั้งอยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวปราศจากการเหลียวแลแม้กระทั่งลูกชายของเขาเองก็ไม่เคยถามถึงมานดาอีกเลยซึ่งดูเหมือนว่าการที่วิญญาณของเบ็ตตี้ ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดายเช่นนั้นมันได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่าสยดสยองที่ไม่ <inter Hob art> on, <rinse vé> ไมีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้เลยเหตุการณ์สยองขวัญดังกล่าวได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านใกล้เคียงที่โรเบิร์ตกับลูกชายพร้อมด้วยภรรยาใหม่ไปพักอาศัยอยู่เรื่องราวมันเริ่มขึ้นมาจากในตอนตีสองของทุกคืน ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่เบ็ตตี้ถูกฆาตกรรมมักจะมีคนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินร้องห่มร้องไห้ไปตามทางเดินของหมู่บ้านปากของเธอก็พร่ำร้องหาสามีและลูกชายตลอดระยะทางที่เธอเดินผ่านไปและไม่ว่าเธอจะเดินผ่านไปทางไหนทุกคนจะได้กลิ่นเหม็นสาบสางโชยมาตลอดเวลา และเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งเข้าชาวบ้านก็เริ่มตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนไม่เป็นอันทาอะไรพอตกดึกทุกคนก็จะปิดประตูบ้านไม่มีใครกล้าออกไปไหนเป็นอย่างนี้อยู่นานจนชาวบ้านละแวกนั้นเริ่มทนไม่ได้จึงได้จ้างวานหมอผีชื่อดังคนหนึ่ง มาปัดเป่าวิญญาณของเบ็ตตี้ให้พ้นออกไปจากหมู่บ้านซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวมาคอยสร้างความหวาดผวาให้กับพวกเขาอีกแต่มันก็เป็นเช่นนั้นอยู่ได้ไม่นานเพราะปรากฏว่าวิญญาณของเบ็ตตี้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่วิญญาณของเธอกำลังล่องลอยตามหาสามี และลูกมาต่างหากโดยในคืนวันหนึ่งขณะที่โรเบิร์ตกำลังพาลูกชายของเขาเข้านอนจู่ๆก็มีลมพัดมาวูบใหญ่จนทำให้หน้าต่างบนห้องเปิดกว้างออกและสิ่งที่โรเบิร์ตกับลูกชายมองเห็นในขณะนั้นก็คือร่างของเบ็ตตี้กำลังลอยวนไปมาอยู่เหนือระเบียงห้องซึ่งอยู่บนชั้นสองของตัวบ้าน สภาพของเบ็ตตี้ในตอนนั้นไม่ต่างอะไรไปจากเมื่อตอนที่โรเบิร์ตเห็นในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพาเขาไปดูศพของเธอแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือใบหน้าของเธอเริ่มเน่าเฟะและส่งกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วห้องและเมื่อลูกชายของเขามองเห็นนอนที่ไต ย, ยัวเหยียไปทั่วร่างกายของมารดาเด็กน้อย ก็หันมากอดโรเบิร์ตไวส้สน น, นด้วยความหวาดกลัวในขณะที่โรเบิร์ตเองก็เริ่มตื่นตระหนกยิ่งขึ้นแม้สิ่งที่เขามองเห็นอยู่ตรงหน้าจะเป็นร่างภรรยาของเขาก็ตามแต่เธอก็ดูน่ากลัวเกินกว่าที่เขาจะทนมองต่อไปได้ในตอนแรกนั้นโรเบิร์ตเข้าใจว่าวิญญาณของเบ็ตตี้ยังคงรัก และหว่วงใยลูกน้อยวัยห้าขวบของเธออยู่จึงยังไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้แต่โรเบิร์ตอาจจะยังไม่ทราบว่าในเวลานั้นวิญญาณของเบ็ตตี้ไม่ใช่ภรรยาผู้อ่อนโยนและใจดีคนเก่าของเขาอีกต่อไปแล้วเธอได้ผ่านความรู้สึกที่ถูกทําร้ายอย่างทารุณความรู้สึกที่ต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวดาย จนมันสั่งสมและได้กลายเป็นรอยแคนที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเธอไปเสียแล้วดังนั้นเมื่อเบ็ตตี้เห็นลูกน้อยแสดงท่าทีหวาดกลัวต่อวิ ญ, ญญาณของเธอผู้เป็นแม่มันจึงได้สร้างความโกรธให้กับเธอเป็นอย่างมากพร้อมกับลั่นปากออกมาว่าเธอจะฆ่าทุกคนที่ทอดทิ้งและทำให้เธอต้องทนทุกทรมานอยู่เพียงเดียวดาย และในวินาทีนั้นเบตตี้ก็ได้ยื่นมือของเธอเข้ามาจับร่างของโรเบิร์ตเวี่ยงไปกระแทกเข้ากับฝาผนังห้องและหันมามองลูกชายของเธอที่ตัวสั่นงันงกอยู่บนเตียงพร้อมกับร้องเรียกให้เข้าไปหาเธอแต่เมื่อเด็กน้อยสายหน้าปฏิเสธวิญญาณของเบตตี้ก็ถึงกับกรีดร้องออกมาด้วยความโกรธ เธอควางปลาและทำลายสิ่งของทุกอย่างที่ขวางหน้าจนย่อยยับด้วยอารมณ์แค้นแต่มันก็เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเพราะเมื่อเธอเห็นลูกน้อยร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจกลัวความโกรธของเธอก็เริ่มอ่อนลงและในไม่ช้าร่างของเธอก็ค่อยๆเลือนหายไปในเช้าวันต่อมาโรเบิ รีบพาลูกชายของเขากลับไปยังสุสานของเบ็ตตี้เขาจัดการขุดเอาศพของเธอขึ้นมาเพื่อ น, นำไปฝังใกล้ๆกับบ้านพักที่เขาและลูกอาศัยอยู่ในปัจจุบันถึงแม้โรเบิร์ตและลูกจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าเมื่อไรที่วิญญาณของเบ็ตตี้จะยอมไปเกิดและพวกเขาจะต้องทนอยู่ในสภาพเช่นนี้ไปอีกนานแค่ไหน แต่อย่างน้อยมันก็คงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วที่จะช่วยยับยั้งไม่ให้วิญญาณของเบ็ตตี้ออกอลวาดสร้างความหวาดผวาให้ผู้คนอีกต่อไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนอย่าลืมกดติดตามช่อง